คัลลาวัลกมรเปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์วัลไลลิดอัจบะขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปวัสสุบฮีซาอัสฟรขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงอินนะฮาละอิฮดัลกุบรอถ้าจริงนรกนั้นแน่นอนเป็น 1 ในความหายนะอันใหญ่หลวงนะซีรัลลิบะชรเพื่อเป็นการเตือนสัมทับแก่มนุษย์ลีมันชาอ์มินกุมอันยะตะกัดดัมเอายะตะอัคคอรสำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรั้งท้ายเพื่อกระทำความชั่วกุลลุนัฟสินบิมากะซะบะตเราะฮีนะฮ์ ตาละชีวิตย่อมถูกคำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว้อิลาอัศฮาบะลยะมีนยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวาฟีญันนะติยะตะซาอาลูนอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกันอาลิลมุญริมีนเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดมาซะละกะกุมฟีซะกัร อะไรที่นําพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้กอลูลัมนะกุมมินัลมุศัลลีนพวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทําละหมาดวะลัมนะกุฏอิมุลมิสกีนเราไม่ได้ให้อาหารกับบรรดาผู้ขัดสนวะกุนนานะคุดมะอัลคออิดีน และพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมวะกุนนานุกัซซิบบิยามิดดีนและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนอัตตาอะตานัลยะกีนจงกระทั่งความตายได้มายังเราตะมาตาฟะอุมชะฟาอะตุชชาฟิอีน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 นี่จากเสือสิงห์ dan yuridu kullu umrin minhum an yu'ta suhufan munashsharah tha king tuk kon nai mu phuak khao tong kan thi cha mi phan banthuk yuen ma hai khao kal la ban la yakhafun al akhirah mai loei ying pai kwa nan phuak khao yang mai kreng khlua wan paraloak ik duai kal la innahu tadhkirah ไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลเลาะห์ทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรง